บทที่เก้าบญสูงสุดได้ฟังเรื่องที่หล่อนเล่าท่านพระครูรู้สึกสลดใจนักมันดาญาติโยมที่นั่งอยู่ในห้องก็พลอยสลดใจไปด้วยโยมผู้ชายคนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับพระรูปนั้นท่านจะตกนรกหรือเปล่าครับ ที่สอนโยมผิดผิดเช่นนั้นท่านพระครูตอบทันทีว่าตกนรกอย่างแน่นอนการที่ท่านสอนเช่นนี้ก็แสดงว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมมีนรกเป็นที่ไปมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดคนที่มีความเห็นผิดจะไม่ทำชั่วนั้นไม่มีเหมือนอย่างแม่โยมที่เห็นผิดตามพระ ว่ามดมันเป็นสัตว์ที่ไม่ดีจึงฆ่าได้ไม่บาปการเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเห็นผิดเมื่อเห็นผิดคนก็ทาบาปเหมือนที่แม่โยมตั้งหน้าตั้งตาฆ่ามดแล้วอย่างนี้แม่ดิฉันจะตกนรกไหมคะหลอนรู้สึกเป็นห่วงมานดาถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องทำกรรมฐานแต่ไม่เป็นไรถึงแม่เราจะตกนรก เราเป็นลูกก็ช่วยแม่ขึ้นนรกได้ด้วยกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาถ้าเช่นนั้นดิฉันจะลา ง, งานมาเข้ากรรมฐานค่ะดีมากโยมอัตมาขออนุโมทนาไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานแล้วขอให้ช่วยแม่ได้สำเร็จนะท่านรู้ว่ามารดาของอุบาสิกาผู้นี้กำลังรับกรรมอยู่ในนรก เพราะตายขณะจิตมีโทสะคือโกรธปูงมดที่มารงกัดนางถ้อยคำของท่านพระครูทำให้สตรีวัยสี่สิบเศษรู้สึกสบายใจขึ้นหล่อนตั้งใจว่าจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่สุดเพื่อให้ได้อุทิศบุญกุศลไปให้มารดาจะได้ขออโหสิ ก, กรรมต่อมดที่มารดาได้ล้างผลาญชีวิตของพวกเขาเพราะความเห็นผิด ตัวหล่อนเองก็ได้ฆ่ามดมามากมายไม่แพ้มารดาเช่นกันเพราะนั้นหล่อนก็ยังโชคดีกว่าตรงที่ได้มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานแล้วก็สามารถรู้ด้วยว่าตนเองว่าการกระทําดังกล่าวเป็นบาปหล่อนจึงเลิกฆ่ามดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคะแล้วดิฉันจะต้องตกนรกไหมคะหล่อนถามเพราะรู้สึกว่ากลัว ลัวว่าจะเป็นเช่นมารดาถ้าโยมปฏิบัติกรรมฐานแล้วขออโหสิกรรมแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้พวกเขาโยมก็ไม่ต้องไปตกนรกเพราะได้ใช้หนี้ใช้ศีลกันหมดแล้วก็อย่าลืมว่าหนี้เวนหนี้กรรมต้องใช้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นจะใช้ด้วยอย่างอื่นไม่ได้เช่นโยมทาบุญเป็นล้านหรือว่าทอดผับปาทอดกระถิน เป็นร้อยครั้งก็ไม่สามารถใช้หนีเวนี่กรรมได้อาตมาจึงสอนให้ญาติโยมเข้ากรรมฐานเพื่อใช้หนี่กรรมไม่ใช่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อตัดเวนตัดกรรมอย่างที่เข้าใจกันดูอย่างอาตมาถ้าไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานป่านนี้ก็ใช้หนี่กรรมไปเมืองนรกแล้วหลวงพ่อคะและดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ ขึ้นมาจากนรกแล้วคือดิฉันหมายความว่าเมื่อปฏิบัติครบเจ็วันแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าแม่ได้รับส่วนกุศลและก็ขึ้นมาจากเมืองนรกได้หล่อนถามอีกเรื่องนั้นไม่ยากเลยโยมเอาเถอะแล้วยมจะรู้เองข้อสำคัญก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติก็แล้วกันต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางวัน แล้วก็ต้องทนต่อเวทนาให้ได้แล้วยมก็จะรู้ได้จากเวทนานั่นแหละว่าแม่ของโยมได้รับบุญหรือได้รับเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจตังนะคือรู้ได้เฉพาะตนแต่ถึงประนั้นอาตมาก็รับรองวกรรมฐานนี้ใช้กรรมได้จริงนอกจากอาตมาจะประสบมากับตนเองแล้วอาตมายังได้รวบรวมประสบการณ์ของคนอื่นไว้มากมาย จนสามารถตั้งเป็นทฤษฎีได้ว่าการปฏิบัติก ร, รมฐานที่ให้ผลนั่นจะต้องให้ได้สามข้อคือหนึ่งต้องระลึกชาติได้ 2. เห็นกฎแห่งกรรมที่เราได้ทำไว้และสเกิดปัญญาแก่ปัญหาชีวิตได้อาตมาขอยกตัวอย่างให้สักเรื่องหนึง่งคือเรื่องของโยมอ่อนถ้าใครไม่อยากฟังก็ยกมือขึ้น ท่านสำรวจความต้องการของญาติโยมเมื่อไม่มีผู้ใดยกมือท่านจึงเริ่มต้นเล่าเพราะการได้พูดได้คุยทำให้อาการคันใต้ร่มเฟือกลดน้อยลงตอนที่อาตมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพรมบุรีอาตมาก็สอนกรรมาฐานบ้างแล้วตอนนั้นก็มีญาติโยมหลายคนมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุ คนแก่น่ะเหรอครับเขาว่าคนแก่สอนยากใช่ไหมครับหลวงพ่อชายหนุ่มคนหนึ่งพูดขึ้นเลยถูกคนแก่หลายคนขว่างค้อนเข้าใส่อย่าไปเรียกคนแก่ต้องเรียกว่าผู้สูงอายุถ้าเรียกคนแก่ฟังแล้วใจ่อแฟ ไม่กระชุ่มกระชวยใช่ไหมโยมท่านถามโยมมารดาแมจวนยิ้มนิดๆแทนคำตอบโยมเตียงจึงต้องทาหน้าที่แทนด้วยการตอบว่าใช่จะท่านอย่างฉันเนี่ยเวลาใครเรียกคนแก่ใจมันฟอแฟอย่างที่ท่านว่าถ้าเขาเรียกผู้สูงอายุเออค่อยยังชั่วหน่อย งั้นผมก็ต้องขอโทษคุณป้าด้วยต่อไปผมจะไม่เรียกคนแก่จะเรียกว่าผู้สูงอายุแทนชายหนุ่มขอขมาลาโทษเพราะอยากฟังเรื่องที่ท่านกำลังจะเล่าผู้สูงอายุที่สอนยากก็มีสอนง่ายก็มีแล้วแต่คนจะเหมารวมไปหมดทุกคนนั้นไม่ได้ยังโยมอ่อนเนี่ยแกสอนง่ายตอนแกมาปฏิบัติอายุแปสิบแล้ว แต่ก็ยังแข็งแรงแกตั้งใจปฏิบัติดีมากแล้วก็ได้ผลก็คือทั้งให้ครบทั้งสามข้อหมายความว่าแกระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เกิดปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างนั้นเหรอคะคนถามเป็นสาวน้อยอายุประมาณ1 0บ8หลอนมากับปิดามานดาเพื่อจะมากราบพระอรหันต์ตามที่หนังสือพิมพ์ประโคมข่าว ถูกแล้วจ้าหนูแกทำได้ตามนั้นจริงๆขนาดอายุแปสิบก็ยังได้ผลเพราะว่าแกตั้งใจตอนนั้นหลวงพ่ออายุสี่สิบเศษเศษแต่ว่ามีลูกศิษย์อายุคราวพ่อคราวแม่อย่างโยมอ่อนเนี่ยอายุแกกว่ายมพ่อของหลวงพ่อสิอีกตอนแกปฏิบัติใหม่ๆหลวงพ่อก็ให้แกเดินจงกรมเดินได้ชั่วโมงหนึ่ง นั่งโดยชั่วโมงหนึ่งสลับกันแต่ปรากฏว่าแกนั่งไม่ได้เดินได้แต่นั่งไม่ได้ทำไมนั่งไม่ได้ล่ะคะที่จริงน่าจะเดินไม่ได้มากกว่าเพราะอายุมากไม่น่าจะเดินไม่ไหวสาวน้อยติงมันก็น่าจะเป็นอย่างที่หนูว่านั่นแหละตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สำเร็จวิชาเห็นหนาะจึงไม่รู้สาเหตุว่าทำไมแกจึงนั่งไม่ได้ คือแกบอกว่าเวลานั่งแกจะปวดศีรษะมากปวดแทบจะระเบิดแกทนไม่ได้ต้องลืมตาพอนั่งสักสินาทีก็เริ่มปวดแล้วแกจึงกลัวการนั่งมากหลวงพ่อก็แก้ปัญหาด้วยการให้แกเดินอย่างเดียวแกปฏิบัติได้หวันพอวันที่เจ็ดหลวงพ่อเห็นว่าสมาธิแกดีถึงขั้นจะทนต่อเวทนาได้ก็จิงให้แกนั่ง หลังจากที่เดินจงกรมแล้วและบอกว่าให้แกอดทนต่อเวทนาแล้วจะละลึกได้แกก็ปฏิบัติตามเมื่อเกิดอาการปวดแกก็กำหนดปวดเนอปวดเนอแล้วก็ตั้งสติสู้กับเวทนาพอความปวดขึ้นสุดขีดแกก็ละลึกชาติได้ทันทีละลึกได้กี่ชาติครับชายหนุ่มคนเดิมถาม เดียวก่อนอาตมาขออธิบายคําว่าระลึกชาติเจก่อนระลึกชาติในที่นี้หมายถึงระลึกเหตุการณ์ในอดีตได้แต่ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิและมีสติอยู่ตลอดเวลาก็จะสามารถระลึกเหตุการณ์ถอยหลังในอดีตได้เช่นระลึกถอยหลังไปได้ยี่สิบปีสาสปีจนถึงร้อยปีพันปีซึ่งถ้าถึงขั้นนั้น นี้ก็เท่ากับว่าระลึกอดีตชาติได้ด้วยบางคนระลึกได้ตั้งเจ็ดชาติถ้ามีสมาธิดีท่านไม่บอกว่าบุคคลนั้นคือท่านเองด้วยไม่ต้องการอวดอุตริมนุษธรรมและโยมอ่อนแกละลึกย้อนได้กี่ปีคะอุบาสิกาที่มารดาถูกมดรุมกัดเป็นผู้ถามได้62ปี คือแกระลึกได้ว่าตอนอายุ18แปแกไปยิงเข้าตายภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นมาปรากฏในนิมิตแกก็เล่าให้อัตมาฟังว่าตอนแกเป็นหนุ่มรุ่นรุ่นแกก็อาศัยวัดอยู่เพื่อเรียนหนังสือที่ข้างวัดก็มีโกดังเก็บของของคนจีนทีนี้ก็มีคนขี้ยามาขโมยของแกในโกดังไปขายเอาเงินไปซื้อยาฝิ่นสูบ เจ้าของโกดังก็โกรธจึงมาจ้างแกไปยิงเอาปืนแก๊สมาใส่มือแกด้วยแกก็เลยไปยิงที่ศีรษะของคนขี่ยาคนนั้นแล้วก็เอาปืนไปคืนเจ้าของโกดังได้ขาดจ้างมาสองบาทแค่สองบาทเองเหรอคะหลวงพ่อสาวน้อยกังขาสองบาทสมัยนั้นซื้อทองหนักสองสลึงได้นะหนูถ้านับถึงตอนนี้ ก็แปปดปีแล้วหลวงพ่อยังไม่เกิดเลยตอนที่อายุ8ปปดนะ่ะแล้วยังไงอีกคะสาวน้อยอยากฟังต่อพอแกระลึกได้แกก็ขออโหสิกรรมก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขา ก็เกิดภาพขึ้นในนิมิตว่าตะขียาคนนั้นไปเกิดหมายแล้วชื่อในใจนาสกุลขวอยว้าบ้านอยู่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอแกออกจากกรรมฐานแกก็เล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็เอาสมุดมาจดบันทึกไว้อย่างละเอียดอาการปวดศรีรษะของโยมอ่อนก็หายไปพอระลึกชาติได้ และใช้นี่กรรมแล้วแกก็นั่งกรรมฐานได้ตามปกติที่นี้หลวงพ่อก็เป็นคนชอบวิจัยจึงชวนแกไปอำเภอเสนาเพื่อตามหาในใจก็ไปพบชายคนหนึ่งชื่อในใจไขว้คว้าอายุหกสิบเอ็ดปีแสดงว่าตะขิยาคนนั้นตายปุ๊บก็เกิดทันทีโยมอ่อนก็เล่าเรื่องที่แกยิงตะขิยาตายเมื่อหกสิสองปีที่ผ่านมา แล้วก็รู้จากกรรมฐานว่าตะขิยามาเกิดเป็นในใจพร้อมทั้งขอให้ในใจโอโหสิกรรมให้ในใจก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องรอกเพราะเขามาเกิดแล้วและจำไม่ได้ว่าก่อนเกิดน่ะเคยเป็นขี้ยาแต่ก็เอโหสิกรรมให้ถ้าหากว่าโยมอ่อนไปฆ่าเขาไว้จริงนี่แหละอานิสงส์ของการเจริญกรรมฐานทาให้สามารถใช้นี้กรรมได้ ถ้าโยมอ่อนไม่มาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อใช้หนีกรรมรับรองว่าต้องไปใช้ในเมืองนรกแล้วก็ต้องใช้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยถ้าในใจแกปฏิบัติกรรมฐานแกจะรู้ไม่ครับว่าชาติที่แล้วแกเป็นคนขี้ยาแล้วก็ได้ขโมยของในโกดังข้างวัดรู้ได้อย่างแน่นอนหากปฏิบัติได้ถึงขั้นและแกไม่ไปตกนรกหรอคะ ที่ผิดศีลข้ออธินาทานสาวน้อยถามอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ทราบแต่ตามหลักกรรมคนที่ผิดศีลต้องตกนรกแกอาจจะไปตกนรกไม่นานแล้วก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะกรรมที่เคยทำไว้ก่อมาให้ผลได้เรื่องของกรรมมันสลับซับซ้อนนะหนูสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายอยู่ในวัฏจกักรชีวิตก็ด้วยอานาจแห่งกรรม บุรุษอายุประมาณห้าสิบเศษคลานเข้ามากราบท่านพระครูหลังจากญาติโยมหลายคนพากันลุกออกไปแต่ยังนั่งปักกลักฟังท่านคุยก็ยังมีอีกมากบุรุษนั้นกราบเบญจางขประดิษฐ์สามครั้งและจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับอุปชาของผมถูกกองทัพมดห้ากองทัพรุมกัดจนสลบอยู่ในถ้ำครับ โชคดีที่ผมไปเห็นข้าวสิงอุ้มท่านส่งโรงพยาบาลมดมันกัดกินเนื้อท่านจนแดงไปทั้งร่างถ้าผมไม่บังเอิญไปพบท่านคงถูกพวกมันกัดกินจนเหลือแต่กระดูซึ่งนั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมอรณาภาพอย่างแน่นอนพระอุปชาของผมท่านเป็นพระสุปฏิปันโนไม่เคยก่อกรรมทําเข็นกับผู้ใดแต่ทาไมท่านจึงต้องมาเป็นเช่นนี้ครับ นมหายถามเขาอยากรู้ว่าท่านพระครูจะรู้ตรงกับที่พระอุปชาเล่าให้ฟังหรือไม่หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าท่านเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านรู้ก็แปลว่าท่านเป็นพระอรหันต์จริงแต่ถ้าไม่รู้ก็แปลว่าเป็นอรหันต์เก๊ท่านพระครูรู้ความคิดของบรุษตรงหน้าว่าต้องการมาทดสอบท่านเพื่อไม่ให้เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมท่านจึงบอกเขาว่า ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับอาตามาคิดว่าตอบได้ถึงจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ตอบได้และจะตอบอย่างละเอียดเลยฟังให้ดีนะการที่อุปชาของโยมถูกกองทัพมดรุมกัดถึงห้ากองทัพนั่นเฉพาะท่านเคยมีเวรกรรมกับพวกมันมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติ ท่านเคยเกิดเป็นแม่ทัพแม่ทัพเอกแห่งกรุงศรีอยุธยาและมดเหล่านั้นก็เป็นทหารพมา่าท่านรบชนะพม่าถึงห้าครั้งและก็ได้ฆ่าทหารพม่าไปห้ากองทัพเมื่อท่านตายไปก็ไปใช้กรรมในเมืองนรกระยะหนึ่งแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ส่วนพวกทหารพม่าก็พากันตกนรกจากนรกก็มาเกิดเป็นมด ซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกมันจองเวรจองกรรมกับท่านจึงต้องมาใช้เวรกรรมแต่ท่านก็ไม่ได้สลบหรอกนะท่านรู้ว่าเคยทำกรรมกับมดเหล่านี้ไว้จึงได้เข้าผลสมบัติเพื่อจะได้ไม่รู้สึกเจ็บปวดขณะที่ถูกกัดและการที่โยมไปพบท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านถ้าโยมไม่อุ้มท่านส่งโรงพยาบาลท่านก็ต้องมอรณะภาพ เพราะถูกมดกัดกินเนื้อจนหมดเลือแต่กระดูกจริงไหมจริงครับหนุ่มใหญ่ยอมรับเพราะท่านเล่าเรากับเห็นด้วยตาท่านเล่าเรื่องนี้ให้โยมฟังแล้วนี่นาเล่าหลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้ว เพียงแต่ท่านไม่ได้บอกกับโยมว่าท่านไม่ได้สลบแต่ท่านเข้าผลสมาบัติและท่านก็ทําเช่นนั้นแต่จะทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวและหลวงพ่อเชื่อหรือเปล่าครับว่าพวกมดมันยกกองทัพมาถึงห้ากองทัพเชื่อสิก็โยมให้ชาวบ้านเขาเอากระบุงโกยมาขนมันออกไปไม่ใช่หรือได้ตัางหากระบุงใช่ไหมละ่ะ และมดในแต่ละกระบุงก็มีสีต่างๆกันบุรุดไวกลางคนรู้สึกกังขาว่าท่านรู้ได้อย่างไรกำลังช่างใจอยู่ว่าจะถามดีหรือไม่ท่านก็ตอบโดยไม่ต้องให้เขาถามท่านตอบว่าอาตมารู้เพราะท่านบอกเองบอกอย่างที่อาตมาเล่ามานี่แหละท่านมาบอกหลวงพ่อเมื่อไรครับท่านจะมาได้อย่างไร ในเมื่อท่านก็ยังนอนพักอยู่ที่วัดเขากังขามากขึ้นท่านไม่จาเป็นต้องมาหอกโยมท่านเพียงแต่โทรจิตมาและทำไมถึงต้องบอกหลวงพ่อด้วยล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อกับท่านเคยคุ้นเคยกันมาก่อนถูกแล้วอาตมากับท่านคุ้นเคยกันมาก่อนท่านไม่จาเป็นต้องบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นแม่ทัพ แห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยกันประมาณกี่ปีแล้วครับเขายังคงอยากรู้เอจะกี่ปีอาตมาก็ไม่เคยนับเสียด้วยโยมอย่าไปสนใจเรื่องเวลาเลยนะเอาเป็นว่าอาตมารู้จักกับอดีตอุปชาของโยมก็แล้วกันและที่โยมต่อมาเป็นลูกศิษย์ของท่านก็เพราะโยมเคยเป็นทหารคนสนิทของท่านในชาติที่ท่านเป็นแม่ทัพ ชีวิตมันก็เวียนว่ายวกวนคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดหลายพบเป็นวัฏจักรถ้าโยมอยากศึกษาเรื่องวัฏจักรชีวิตก็ต้องปฏิบัติมากๆอาตมารู้นะว่าโยมเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับเขาถามอีกอาตมากรู้ไดจากการปฏิบัติเหมือนกันเรื่องอย่างนี้มันเป็นปัจจิตังรู้ได้เฉพาะตน อาตมาถึงได้บอกโยมว่าให้มาปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้อะไรอะไรได้เองแต่อย่าไปอยากรู้ถ้าอยากก็จะไม่รู้เพราะการปฏิบัติธรรมต้องปล่อยวางดังที่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าสัพเพรรมมานาลังอภิิเวสยะทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อได้สนทนากับท่านพระครู มรุดไวกลางคนก็รู้สึกว่าเขาได้มาพบพระอรหันต์แล้วและเชื่อมั่นว่าพระอุปชาของเขาเป็นพระอรหันต์เพราะท่านสามารถโทรจิตได้และผู้ที่สื่อสารกันด้วยโทรจิตได้ก็จะต้องเป็นพระอรหันต์เหมือนกันท่านจะต้องเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนอาตมาไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างที่โยมเข้าใจ เอาละไหนๆโยมก็เป็นนักปฏิบัติอาตมาจะขอทำความเข้าใจเรื่องพระอรหันต์โดยที่โยมจะต้องเข้าใจอย่างถูกต้องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เท่านั้นแต่เกิดมานานแล้วถ้าจะนับเวลาก็ต้องบอาวว่าก่อนสมัยพุทธกาลนั่นแหละขนาดนั้นเลยเหรอครับถูกแล้ว สมัยก่อนพุทธกาลยังไม่มีพระอาหารหันเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะสมบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นอัสถะพฤกจึงมีพระอาหารหันเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก่อนหน้านี้ไม่มีพระอาหารหันมีแต่ฤาษีดาบทหรือพวกนักบวชผู้ทรงอภิญญาสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเช่น ดำดินได้เหาะเฮินเดินอากาศได้และคนก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชตินสามพี่น้องแล้วก็บริวารพวกชตินก็เข้าใจว่าพวกตนเป็นพระอรหันต์เพราะข้าอาริษมาเป็นเกณฑ์ตัดสินความเป็นพระอรหันต์แต่ในที่สุด พระพุทธเจ้าก็ทรงทาให้พวกชตินเข้าใจถูกต้องแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดทาให้ชตินเหล่านั้นบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหรันต์ไหนยมบอกอาตมามาสิว่าพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พวกชตินนั้นมีชื่อว่าอะไรท่านทดสอบความรู้ทางปริยัติของหนุ่มใหญ่อาทิตตปริยยสูตรครับ ส่วนพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีชื่อธรรมจักรกับวัตนาสูตรเขาตอบเกินคำถามเพราะเรียนรู้ปริยัตมาอย่างดีถูกต้องอาตมาขออนุโมทนาขอให้โยมปฏิบัติมากๆต่อไปก็จะเป็นกำลังในพระศาสนาในอนาคตเครือหัดก็จะมีบทบาทในการเผยแผ่พระศาสนามากกว่าพระสงฆ์ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับ เพราะประสงค์ท่านมัวแก่งแย่งแข่งขันกันในเรื่องยศตำแหน่งนะซิท่านห่วงสมณศักดิ์มากกว่าห่วงพระธรรมคําสอนหลวงพ่อพูดเหมือนกับพระอุปชาของผมเลยครับสรุปว่าพระอรหันต์ที่แท้ก็คือผู้ที่หมดกิเลสใช่ไหมครับส่วนผู้ที่แสดงฤทธิ์ได้อาจจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นก็ได้ในทํานองเดียวกัน ระอรหันอาจแสดงฤทธิ์ได้หรือไม่ได้ก็ได้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับถูกต้องท่านพระครูตอบยิ้มยิ้ม